Fifty languages. Thirty-three. Trenta tres. At the train station. Al estación de trens. The next train to Berlin. รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะควรสูตรถลิ่พรักซิมเทรนกับปารถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะควรสูตรถลิ่พรักซิมเทรน a ับลอนด์รัสรถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะควรสูตรถลิ่พรักซิมเทรนกั a วอร์ซ via รถไฟไปสต็อกโฮมออกกี่โมงคะ a ิโนราสูตรต่อเทรนค a ้ s t ต c o l m รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะคิโน r a s u r t el tren que va a Budapest ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะบูลดิอัลบิล t ลต์ไปมาดริ ดิฉันต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ค่ะดะะะิฉันต้องการตั๋วไปเบอร์นหนึ่งที่ค่ะรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไห ร, ร่คะ ร, รถไฟถึงมอสโคเมื่อไหร่คะ กว่านั่นรีบมาสุกุ้ยรถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไรคะกว่านั่นรีบม a อัม t เตอร์ดัมรถไดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะเอาเร็ดแลกเปลี่ยนรถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะดัก a นาอันดานาซูร์เตลรถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะ กเท็โกช่ายิตัลเทรนดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลส์หนึ่งเที่ยวค่ะ o u l d r i a un billet d a Nada a Bruselas ดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะ v o u l d r i a un billet d a Nada i t o r n a d a a c o p e n h a g e n ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะ c u á n c o s t a una p l a ç a al coche l i t